4.19 วินยูชนรู้ความก้าวหน้าได้ด้วยตนเองวิธีประเมินตัวเองว่าภาวนาก้าวหน้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มาตรวัดอะไรจิตใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ก็มีอย่างเป็นคนมักน้อยไหมสันโดษไหมชอบคลุกคลีไหมเรามีสติไหมเรามีศีลไหม มีใจตั้งมั่นมากขึ้นไหมเราเห็นความจริงของกายของใจมากขึ้นไหมอันนี้พูดตามสูตรนะแต่ถ้าพูดในเชิงปฏิบัติสังเกตง่ายๆเลยเราเห็นกิเลสบ่อยขึ้นไหมถ้าเห็นกิเลสบ่อยๆแสดงว่าสติเกิดบ่อยความทุกข์ของเราสั้นลงไหมหรือว่าจมอยู่ในกองทุกข์นานทีละหลายๆวันได้หรือว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเผลอสั้นลงไหมหรือว่าเผลยยาวสิ่งเหล่านี้วัดด้วยตัวสติสติเกิดเร็วใช่ไหม ใจตั้งมั่นหรือว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วรู้ทันมันเห็นความจริงของกายของใจไหมจริงๆแล้วมันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะทำใจให้สบายๆแล้วลองนึกถึงสภาวะขณะนี้กับสภาวะก่อนที่จะหัดภาวนารู้สึกไหมกิเลสเบาบางลงไปกี่เปอร์เซ็นต์วัดได้นะวัดได้ด้วยตัวเองหลวงพ่อตอนภาวนาวัดมาตลอดเลยวัดวัดวัด รู้แต่ว่าไม่รีบร้อนว่าทำอย่างไรกิเลสจะหมดไปเราภาวนารู้กายรู้ใจอย่างนี้แหละกิเลสมันอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันวัดได้ด้วยตนเองวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ทรชนรู้ไม่ได้วินยูชนเราดูกายดูใจรู้เนื้อรู้ตัวเป็นนะมันวัดตัวเองได้